มาเป็นพระมหากาจยนะบ้างพระมหากัจรยนะผู้ที่เรียบเรียงคำภีรเนติปกรเป็นต้นเนี่ยนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเฉตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแหลท่านพระมหากาจยนะนั่งคูบลังตั้งกายตรงมีกายยขตาสติตั้งมั่นดีแล้วเฉพาะหน้าในภายใน เป็นการเจริญกายยคตาสติพิจารณาร่างกายของตัวเองนั่นแหละในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เห็นท่านพระหมหาการยนะนั่งคูบาลังตั้งกายตรงมีกายยคตาสติตั้งมั่นดีแล้วเฉพาะหน้าในภายในในที่ไม่ไกลลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แลจึงทรงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า ผู้ใดพึงตั้งกายคตาสติไว้มั่นแล้วเนืองนืองในการทุกเมื่อวิธีตั้งกายคตาสตินี่ตั้งยังไงเราตั้งมว้ยังไงส่วนใหญ่อาสุภะใช่ไหมแต่ น, นี้วิธีตั้งอีกเียว่าตั้งระดับสูงเป็นการตั้งในระดับสังขารุปเปกขายานว่าอะไรอะไรพ้นจากขันธพันจ ก, กะไม่พึงมีอ น, นคือทุกอย่างทั้งหมดเลยมีอะไรม้่งเกินขันธ์ห้ามไหม ไม่มีทุกอย่างก็คือขันห้าหมดแต่ว่าท่านท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระมหากจรยนะพิจารณาภายในตัวนะในร่างกายภายในชีวิตจิตใจทั้งหมดของเราเนี่ยอะไรอะไรพ้นจากขันห้ามีไหมไม่พึงมีอะไรอะไ ร, ะไรที่ชื่อว่าเป็นของเราก็ไม่พึงมีปกติเขาบอกว่าเอ้าก็อยู่ในตัวเราไม่เรียกของเราได้ยังไงสิ่งใดที่นํามาซึ่งความเลวร้ายเราอยากบอกไหมว่าสิ่งนั้นคือเราคือของเราอยากบอกไหม ชันใดก็ดีอขันหนี่มันจะมีอะไรท่านําความเลวร้ายมาให้แกเรา น, นะแล้วก็บอกว่าตอนไม่ป่วยก็บอกอยดีดีดีดี ด, ด, ดีแต่ถ้าป่วยขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่ดีจริงๆเลยนะพันสรุปว่าอะไรอะไ ร, อะไรที่จะพึงสําคัญว่าเป็นของเราเนี่ยก็ไม่พึงมีเพราะอะไรที่ว่ามันไม่ใช่ของเราก็เพราะเนื่องว่ามันให้แต่ทุกข์ให้แต่โทษ น, นะตอนบุญให้ผลอยู่ก็ดีดีแต่ว่าหมดบุญเมื่อไหร่นี่สิพันก็เลยบอกว่า มันไม่ใช่ของเราต่อไปอะไรอะไรที่ชื่อว่าอัตตาอันพ้นจากขันธ์ถ้าปัญจกะก็ไม่มีมีตัวตนมีอัตตาอะไรที่พ้นขันธ์ห้าไหมเพราะใครจะบัญญัติอัต t าก็บัญญัติเพราะอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณถ้าจะบัญ ญ, ญัติอัต t าก็ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่พ้นขันธ์ห้าต่อไปอะไรอะไ ร, อะไรที่เนื่องในอัตตาจักไม่มีแก่เรา อะไรอะไรที่เนื่องในตนเนี่ยมีไหมไม่มีเขามีอยู่สี่สสโรคเขามีอยู่4อย่างนะหนึ่งอะไรอะไรพ้นจากขันห้าไม่มีสองอะไรอะไรชื่อว่าเป็นของเราก็ไม่เพึงมีสอะไรอะไรที่ชื่อว่าตนพ้นจากขันห้าก็ไม่มีสีอ่อะไรอะไรที่เนื่องในตนจักไม่มีแกเราเพราะฉะนั้นท่านจะไม่สำคัญว่าอ่เนื่องว่าเป็นอัตราอะไรเนี่ยท่านจะไม่สำคัญผิดโดยประการทั้งปวงในขันห้า ผู้นั้นมีปกติอยู่ด้วยอนุปภาพิหารคือว่าเครื่องอยู่โดยลำดับตามเห็นอยู่ในสังขารนั้นพึงข้ามตันหาได้โดยกาละเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยทำเครื่องอยู่ตามลำดับอย่างนี้นะเห็นสังขารตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วล ะ, ะขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นคือพิจารณาสังขารเจริญอย่างนี้จนอริยมรรคเกิดขึ้นตัดชั้นราคะในตันหาได้โดย ประการทั้งปวงวันถ้าผู้ที่เป็นพรธารุหันเนี่ยนะท่านเห็นว่าร่างกายของท่านกับเศษหญ้าไม่มีความต่างกันท่านให้ค่าว่ามันเท่ากันในความเป็นสังขารธรรมเนี่ยนะในความเป็นสังขารธรรมท่านเห็นขันท่าของท่านกับต้นกล้วยว่าไม่ได้ต่างอะไรกันหรือถี่เรียกว่าอะไรนะที่จะนาขันท่ากับหญ้าในพระเชตวันไม่มีความต่างกันเลยแต่ของเรามันต่างนะยังต่างอยู่มากน นนะก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเฮ้ยขันท่ายังเป็นของเราอยู่เดี๋ยวเฮ้อของเรามันจะสอนมันสอนว่ายังไงวะเน่ยป่วยแล้วก็เริ่มรู้แล้วนะขันท่ามาเริ่มสอนแต่ละอย่างแต่ละอย่างในอัตกรทาอธิบายคําว่าอัจฉตะเนี่ยนะที่เรียกว่าตั้งไว้ดีแล้วเฉพาะหน้าในภายในคําว่าภายในเนี่ยนะอัจฉระศัพ์ อัชตาแปล ว, ว่าภายในมีอยู่ตรงนี้ยกตัวอย่างมา4ี่ความหมายความหมายที่1บอกเกิดในภายในความหมายที่2เกิดในตนความหมายที่3เนี่ยเป็นภายในแห่งอารมณ์ในที่4ี่ก็คือเป็นภายในแห่งโครจรคือที่เที่ยวความหมายแรกที่บอกว่าเกิดในภายในเนี่ยก็คือเช่นอายตนะภายในเนี่ยเกิดภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นภายในความหมายที่2ก็คือเพราะว่ามันเกิดในตนเนี่ยนะก็มาเช่น ทำทั้งหลายเกิดในตนหรือว่ากายเยกายานุปสัสสีก็คือตามเห็นพิจารณาเห็นกายในกายตนคือไม่ใช่กายคนอื่นอันนี้เรียกว่าภายในตัวไม่ใช่ไม่ใช่หมายคือว่าคนอื่นนะนะความหมายที่สเป็นภายในแห่งอารมณ์หมายคือว่าไม่มนสิการถึงนิมิต ท, ทั้งปวงเข้าสุญญาตาอันเป็นภายในอยู่นะในตําแหน่งที่เป็นใหญ่จริงอยู่พร ะ, ะสมบัติชื่อว่าสันฐานเอ่อชื่อว่าเป็นฐานะอันใหญ่ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันนี้หมายความว่าในภายในแห่งอารมณ์หมายถึงการเข้าพระสมาบัตินั่นเองส่วนความหมายที่สี่บอกว่าเป็นภายในแห่งโครจรเชน่นอโนนทิสุนั้นพึงตั้งจิตไว้ด้วยดีเฉพาะภายในสมาธินิมิตอันเป็นเบื้องต้นนั้นเท่านั้นในที่นี้หมายถึงโครจรหมายความว่าเที่ยวไปในร่างกายของตนเที่ยวไปในร่างกายเนี่ยนะโครจรไปตามร่างกาย มันอัจฉตัังได้แก่อารมณ์กรรมฐานที่เป็นกรรมฐานภายในร่างกายของเรานี่เองอ น, นะบทว่าปริมุก ข, ขังตรงหน้าสุปฏิทตาเข า, ามีสติในกายอันตั้งมั่นด้วยดีในที่นี้หมายถึงการเจริญฌานแต่เป็นการยกสติขึ้นเป็นประธานทั่วทั่วไปเราจะคุ้นเคยวิโตวิจารปีติสุเอกคตาเป็นต้นใช่ไหมแต่นี้ยกสติขึ้นเป็นประธานในฌาน อธิบายว่าภิกษุเข้าฌานในภายในอันยิ่งที่ตนได้โดยกายานุปัสนาสติปฐานหมายคือว่าเจริญกายานุปัสนาสติปฐานเสร็จก็เข้าฌานพิจารณาอารมณ์ภายใน เ, เรื่องราวของพระมหากระจายนะก่อนที่จะมานั่งกรรมฐานนั่งสมาธิพิจารณาอารมณ์ภายในเนี่ยเรื่องไปอย่างไรมาอย่างไรก็บอกว่าพระเทระรูปนี้เนี่ยนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะกรุงสาวัตถี วันหนึ่งท่านก็เที่ยวบินธบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบินธบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่วิหารสแสดงวัดคือทำวัดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านั่งพักผ่อนในที่กลางวันยับยั้งอยู่ด้วยสมาบัตต่างๆตลอดวันนะมีความสุขมากเลยนะมีความสุขอยู่ด้วยการเข้าพระรสมาบัตเพราะว่า สุขโดยส่วนเดียวโดยที่เรียกว่าอะไรนะไปเที่ยวไปพักผ่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้พักอะไรเลยสักอย่างนะแต่ว่าตรงนี้เป็นการพักผ่อนชนิดที่ว่าพักจริงๆเลยเป็นความสุขจริงๆเลยขณะเดียวกันเนี่ยการพักผ่อนที่ดีมีประโยชน์เนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ต่อปัญญาใช่ไหมดังนั้นการพักผ่อนของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดสติและเกิดปัญญาในเวลาเย็นท่านก็ อย่างสู่ท่ามกลางวิหารก็คือเข้าไปในวัดนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งที่พระคันทกุตีคือพระองค์ยังไม่ออกจากกุติท่านก็คิดว่านี้ไม่ใช่เวลาที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนคือพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะถ้าพระองค์ประสงค์จะให้คนอื่นเฝ้าพระองค์ก็จะบางโดยส่วนหนึ่งก็จะออกจากพระคันทกุตีมาแสดงว่าพระองค์เนี่ยพร้อมที่จะให้คนอื่นเข้าเฝ้าถ้าพระองค์ยังไม่เปิดกุติออกมาก็แสดงว่าไม่พร้อมที่จะให้คนอื่นเฝ้าเพราะ ถ้ามหากจรยนะก็รู้แล้วว่าพระองค์ไม่พร้อมเป็นต้นนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบางทียังนึกในใจว่าไม่ใช่ว่าพระองค์ยังอยู่ในกุฏินะบางทีไปที่ไหนอยู่ก็ไม่รู้นะคือไปสงเคราะห์ประชุมชนที่ไหนอยู่ก็ไม่รู้แต่ว่ากุฏินี่ปิดเอาไว้องน้นนะที่พระองค์ก็ประทับนั่งเข้าพระสมมาบัติเป็นต้นคือพระองค์เนี่ยเป็นกาลันอยู่บุคคลเป็นผู้รู้ว่าเวลาไหนเหมาะกับเรื่องอะไรที่สุดเวลาไหนสมควรจะทําอะไร พระพุทธเจ้าไม่เปลืองแม้แต่นิดเดียวเวลาของชีวิต 45,000 ปานศาเนี่ยนะไม่มีเปลืองแม้แต่วินาทีเดียวไม่มีการว่าใช้เปลืองไม่มีเรียกว่าใช้ทุกอย่างคุ้มค่าหมดเพราะทุกอย่างที่พระองค์ทำเนี่ยมีปัญญาเรียกว่าได้รับการดูแลด้วยอานุภาพของปัญญาเนี่ยนะปัญญาก็ไม่ใช่ปัญญาธรรมดาดูแลด้วยอํานาจของอาสาธารณะยางทศพลยานและเวสารัชยานเป็นต้นเนี่ยนะเป็นตัวดูแล ปันตอนนั้นอะพระมหากัจยนะคิดว่านี้ไม่ใช่เวลาที่จะเข้าเฝ้ากาหนดเวลาก็นั่งเข้าสมาบัติที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งไม่ไกลแต่พระคันทักุตีถ้าแถวไหนเนถ้าแถวที่เราไปนั่งฟังธรรมนั้นหรือเปล่ามลูพระศาสดาประทับนั่งในพระคันทักุตีนั่นเองก็ทอดพระเนตรเห็นเธอนั่งอยู่อย่างนั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ พระองค์จะอยู่ในกุฏิหรืออยู่นอกกุฏิพระองค์ก็เห็นสัตว์ทั้งหมดเพราะว่าสายตาปกติของพระองค์ก็จะเห็นโดยรอบประมาณ16กิโลเมตรเนี่ยนะมองขึ้นบนลงล่างมองโดยรอบเนี่ยจะเห็นโดยรอบไม่มีอะไรปิดบังเลยประมาณ16กิโลเมตรอันนี้คือตาเนื้อนะถ้าตาทิพย์ก็เห็นเท่าที่ประสงค์จะเห็นเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยตาเนื้อเนี่ยนะสมมติว่าอย่างที่แบบว่าพระพุทธเจ้ามองเห็นแต่สี ตาพระองค์เห็นแต่สีพระองค์รู้ได้ยังไงว่าพระองค์เนี่ยรู้ว่าพระมหากาจยนะนั่งคิดอะไรบอกว่าก็เหมือนกับเรามองเห็นแต่ป้ายไม่ใช่หรือเห็นแต่สีใช่ไหมแต่ทําไมอ่านป้ายออกอ่ะแล้วเขาบอกว่าอะไรใช่ไหมเห็นคําคําประกาศติดป้ายเนี่ยทำไมดูปั๊บรู้เลยว่าหมายถึงอะไรฉันใดก็ดีพระพุทธเจ้าเนี่ยความที่พระองค์ชํานาญในยานทั้งหมดเนี่ยพอมองเห็นหน้าก็รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยอะไรเกิดขึ้ น, นนะพระองค์ก็ทราบได้หมดอ่ะ พอพระองค์ทราบอย่างนั้นโดยอาการทั้งปวงถึงพระมหากัจรยนะเนี่ยเข้าฌานที่ตนบรรลุด้วยสติปัฏฐานภาวนาเป็นบาปก็เลยแป่งอุทานถ้าสมมุติเห็นคนหน้างองหน้าที่เรียกว่าไม่พร้อมที่จะคุยด้วยเรารู้ไหมว่าเขาโกรธนะก็ดูหน้าเราก็รู้ว่ารู้ถึงจิตที่กําลังโกรธฉันใดพระพุทธเจ้าก็เหมือนการพระองค์ผู้มีปัญญาเป็นพระสัพพันธ์อูมองเห็นหน้าปั๊บก็รู้แล้วว่ากําลังคิดอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่กําลัง เข้าอะไรอยู่แต่ถ้าใช้เจโตปริยานะทราบวรจิตปับรู้เลยว่าเจ็ดวันก่อนหน้านี้ไปคิดอะไรมาบ้างหลังจากนี้อีกเจ็ดวันต่อไปจะคิดอะไรอีกบ้างถ้าใช้สัพพันยูก็รู้ทุกอย่างเลยนะตามที่พระองค์ประสงค์ถ้าหากว่าเราไปอยู่ด้วยนยิมิตหนักใจเหมือนกันนะเอา้าก็เราคิดเป็นบุญได้ไม่ทั้งวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็บ <c oughs> อกโเราบางแจเลยนะนูนเรื่องนะ พอพระองค์ทราบอย่างนั้นเนี่ยนะความที่พระมหากจัจรยนะเนี่ยเข้าฌานที่ตนบรรลุด้วยสติปัฏฐานภาวนาะ อ, อาศัยการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นบาปพระองค์ก็เปล่งอุทานเปล่งอุทานว่าผู้ใดพึงตั้งกายยคตาสติไว้มั่นแล้วเนืองเนืองในการทุกเมื่ อ, อนนคําว่าตั้งกายยคตาสติก็คือสติอันเป็นไปแล้วในกายทั้งสองกายทั้งสองในกายไหน นา ม, มากายและรู ป, ปกายเนี่ยนะตั้งสติไว้ทั้งในนา ม, มากายและรู ป, ปกายโดยความต่างแห่งนามและรูปสรุว่ามีกายเป็นอารมณ์กายนี่แปลว่าหมู่หมู่ของรูปกับหมู่ของนามกลุ่มรูปกลุ่มนามนะกายตัวนั้นแปลว่ากลุ่มกลุ่มรูปกลุ่มรูปประมกับกลุ่มนามมาธรรมเพิ่งเป็นคุณชาติอันภิกษุใดผู้เริ่มบาเพ็ญวิปัสนา ดำรงไว้ด้วยอำนาจความพยายามอันเป็นไปติดต่อเนื่องๆไม่ขาดสายนะพิจารณากลุ่มรูปนามพร้อมทั้งปัจจัยเห็นความเป็นไปของรูปนามทั้งหมดอย่างไม่ขาดสายพิจารณาโดยลักษณะมียนิจจรลักษณะเป็นต้นคือรูปนามเนี่ยนะมันก็สืบเนื่องโดยอะไรโดยอาาัฏฐาโดยสันตติโดยสมัยโดยอ่าทำไมรูปนามเนี่ยนะสืบเนื่องกันไปโดย โดยอัฐาก่อนโดยคือไล่ไปเป็นชาตินะจากจุติไปหาปฏิสนธิแล้วก็โดยอะไรโดยสมัยชั่วระยะอะไรสมัยก็คือโดยวัยนะเช่นโดยวัยปฐมวัยมัชชิมะวัยและปัจฉิมวัยแล้วก็โดยสันตติโดยสันตติเช่นโดยกรรมะสันตตินะกรรมะชรูปโดยสืบเนื่องจิตชรูปอุตุชรูปและอาหารชรูปเป็นต้นนะก็สามารถจะพิจารณาอย่างนั้นว่า จากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไปอันนี้เรียกว่าอนิจจ์เนี่ยนะแห่งอุปาทานขันท่าเพราะนั้นสิ่งที่มันจากไม่มีแล้วมันมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วดํารงอยู่ด้วยความเบียดเบียนและบีบคั้นไม่มีผู้ใดมีอํานาจว่าไอ้ที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่าบีบคั้นไอ้ที่บีบคั้นแล้วก็อย่าแตกทาลายไปไม่มีผู้ใดมีอํานาจในนั้นจริงเรียกว่าอนัตตาเนี่ยนะแห่งอุปาทานขันท่าแล้วก็พิจารณาในการทั้งหมด คือทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันขณะเดียวกันก็ยังแบ่งวันหนึ่งออกเป็น6ส่วนเป็นต้นนะคือสามารถพิจารณาได้ทั้งหมดแล้วก็วันหนึ่งแบ่งเป็น6ส่วน6ส่วนส่วนไหนหกหารอะไรได้24 6หารสีได้24ใช่ไหมก็คือช่วงเช้าสี่ชั่วโมงกลางวัน4ี่ชั่วโมงช่วงเย็นอีกสี่ชั่วโมงปฐมไมยาม4ี่ชั่วโมงมชิมยาม4ี่ชั่วโมงปชิไอมยามอีก สี่ชั่วโมงก็พิจารณาซ้ำสามสามรถจําแนกแยกแยะวิเคราะห์ขันห่าเขาไม่ได้พิจารณาอารมณ์แค่เฉพาะหน้าหรือแค่ปัจจุบันแต่เป็นการวิจัยชีวิตอย่างอย่างที่ว่าครบถ้วนกระบวนความเนี่ยนะก็บอกว่าในโลกนี้เนี่ยนะครับมาคิดดูง่ายๆว่าในโลกนี้ถ้าใครมองเห็นอะไรคิดอะไรแค่วันวันหนึ่งคนฉลาดไหมคิดอะไรได้แค่วันวันหนึ่งนะไม่ฉลาดเลยใช่ไหมถ้ามองอูบางคนคิดได้ตั้งสามวันน่ะ วางแผนชีวิตได้ถึงสาวันนี่ก็ถือว่าเก่งกว่าวันเดียวใช่ไหมถ้ามองชีวิตได้เป็นอาทิตย์นี่ยหละก็ฉลาดขึ้นเยอะอีกถ้ามองได้เป็นเดือน ก, ก็ก็สามารถทำงานเงินเดือนได้เพราะสามารถบริหารใช้ชีวิตให้อยู่เป็นเดือนได้เนี่ยนะก็ทำงานทำเงินเดือนได้ถ้าใครมองเป็นปีๆได้หละมองไดยหลายสิปีไ ด, ด, ได้ก็ถือว่าฉลาดไปกว่านั้นถ้าคนที่เห็นอะไรคิดได้แต่เฉพาะหน้าตาเห็นสีแค่นี้พอม ฉลาดน้อยกว่าเพื่อนทั้งหมดเลยยังน้อยที่สุดนี่ก็ทั้งทั้งวันก็ยังดีนะไครวนให้มาได้ทั้งวันก็ยังดีเล่ากันมาว่าท่านพระมหากาจจยนะยังฌานให้บังเกิดโดยพิจารณากายคขตาสติอาการ32สงในกรรมฐานก่อนทําฌานนั้นให้เป็นบาทคือสามารถพิจารณาชาคือในร่างกายของเราเนี่ยนะสามารถพิจารณาได้สาอย่างด้วยกัน พิจารณาโดยาธาตุก็ได้แล้วโดยธาตุสหรือพิจารณาโดยปฏิกูลปฏิกูลก็พิจารณาโดยปฏิกูลก็จะได้ฌานที่1ถ้าพิจารณาโดยกสินก็ได้ฌานที่4ทําำฌานนั้นให้เป็นบาตเริ่มตั้งวิปั ส, สนาโดยมุก ค, คือเจริญกายานุปั ส, สนาตามพิจารณากายคือผมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นนนะโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็บรรลุเป็นผ้าหาันถึงในการต่อมาโดยมากท่านก็เข้าฌานนั้นนั่นแหละ ออกแล้วก็พิจารณาโดยประการนั้นนั่นแลแล้วเข้าพระสมาบัติคือท่านชํานาญที่จะพิจารณากายเพราะท่านเป็นผู้พิจารณากายเจริญวิปั ส, สนาบรรลุเป็นพธาตุหันนนั้ท่านก็ชํานาญที่จะเวลาเข้าสมาบัติก็จะเข้าทําแบบแนวเดียวกันพระศาสดาเมื่อทรงแสดงเหตุที่ทรงแสดงวิธีที่เป็นเหตุให้บรรลุเป็นธาตุหันจึงตรัสว่าผู้ที่มีสติในการทุกเมื่อตั้งกายยคตาสติไว้ติดต่ อ, อกัน เพื่อให้อาการที่กายคตาสตินั้นปรากฏแจ่มแจ้งชัดชนะเพื่อว่าคนที่พิจารณากายหรือเจริญกายคตาสติแบบมีปัญญา ม, มากจริงๆแล้วสามารถเจริญได้อย่างต่อเ น, นื่องอ่ะเขามีวิธีพิจารณาอย่างไรหนึ่งกิเลสกรรมอันพ้นจากขันธ์ถันจักกะก็ไม่พมึงมีมีอะไรพ้นจากขันห้ามีไหมไม่มีในที่ที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่มีอะไรพ้นจากขันห้าเลยไม่ว่าจะเป็นกรรมเป็นกิเลสเป็นวิบาก ก็อยู่ในเนื่องในขันหานี่แหละกิเลสกรรมหรือกรรมมากิเลสที่ชื่อว่าเป็นของเราก็ไม่พึงมีเจา<ก>้จาอะไรในขันห่<จ>าว<ก>่าเป็นเราได้ไหมเอารูปว่าเป็นเราได้ไหมเอาเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างมาเป็นเราได้ไหมไม่ได้แล้วกิเลสกรรมที่ชื่อว่าอัตตาพ้นจากขันห้าก็ไม่มีแล้วมันมีอะไรพ้นไปจากขันห้าไหมมีกิเลสตัวไหนที่มันเลยทงเลยหลุดไปจากขันห้าไหมเป็นขันทวีมุติเป็นกิเลสที่เป็นขันทวีมุติมีไหม ไม่มีไม่มีอะไรที่มันหลุดพ้นไปจากขันห้ารอกและกรร ม, มกิเลสที่เนื่องในตนก็จะไม่มีแก่เราไหมคราบว่าไอ้กรร ม, มกิเลสที่จะอาศัยเกิดจากสิ่งเหล่านี้เฉพาะภายในตัวจะไม่ให้มันงอกออกมาอีกต่อไปคือสรุปว่าท่านจะไม่ไม่ให้กายเหล่านี้เป็นที่งอกเงยแห่งกิเลสอีกต่อไปเลยเนยนะกิเลสจะไม่อาศัยขันในภายในของท่านหรือของคนอื่นก็ตามให้กิเลสงอกออกมาไม่มี เพราะอะไรเพราะท่านตัดกิเลสเหล่านั้นด้วยอนุภาพของอริยมรรสเสร็จแล้วในข้อนั้นเมื่อว่าโดยการพิจารณาเพึ่งทราบโดยสองส่วนคือส่วนเบื้องต้นะเบื้องต้นกับโดยปัจจเวกการพิจารณาเนี่ยนะส่วนเบื้องต้นก็บอกว่าโนจัตสโนเมสยาหากว่าในอดีตการอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะ กิเลสกรรมของเราไม่พึงมีไซในการอันเป็นปัจจุบันอัตภาพนี้จะไม่พึงมีแก่เราก็คือไม่พึงเกิดแก่เราก็เพราะเหตุที่กรรมและกิเลสได้มีแก่เราในอดีตการฉะนั้นอัตภาพของเราในบัดนี้ซึ่งมีกรรมกิเลสนั้นเป็นเครื่องหมายนั้นย่อมเป็นไปก็ก็อย่าลืมว่าการพิจารณาธรรมะเนี่ยนะมันก็มีพิจารณาเหตุกับผลเท่านั้นใช่ไหมการพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายพิจารณาเหตุกับผล ถ้าพิจารณาผลก็สาวไปหาเหตุถ้าพิจารณาเหตุก็สาวไปหาผลอย่างวิบากกรรมมาชรูปที่กําลังเป็นตปอยู่นี้เนี่ยนะถ้าอดีตไม่มีกรรมไม่มีกิเลสวิบากกรรมมาชรุปที่เป็นตปอยู่นี้จกมีไหมไม่มีาะวิบากกรรมมาชรุปที่เป็นตปอยู่นี้ก็อาศัยกรรมมากกิเลในอดีตเนื่องจากอดีตมีกรรมเนื่องจากอดีตมีกิเลส กรรมคือกรรมคือเจตนากิเลสคืออวิชชาตันหาอุปาทานอาวิชชาตันหาอุปาทานเป็นเหมือนแม่กรรมเหมือนกับพ่อก็ซัดให้มามีวิวบากและกรรมมชรูปในบัดนี้พันธะไม่มีอดีตไม่มีกรรมและไม่มีกิเลสเหล่านั้นวิบากกรรมมชรูปเหล่านี้จะมีไหมบอกไม่มีไม่เป็นไปหรอกบทว่าณนะภาวิสติณนะจะเมพวิสติความว่าในอัตภาพนี้ เพราะปราศจากธรรมะอันเป็นปฏิปักษนั้นและกรรมกิเลสไม่มีคือจักไม่เกิดแก่เราและวิปากวัตในอนาคตจักไม่มีแก่เราจักไม่เกิดแก่เราสรุปว่าจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะทำปริญญาปริญญายกิจเสร็จแล้วหรือทําปริญญาเสร็จแล้วตัดชั้นราคาได้เสร็จแล้วแทงตลอดนิโรธสัจจะได้แล้วอบรมอริยมรรคเจริญเต็มที่แล้ว กรรจัดกิเลสแล้วทุกทวารทุกอารมณ์ไม่มีกิเลสถ้ากิเลสกรรมมกิเลสเหล่านี้ไม่มีถ้าตัณหาไม่มีอุปาทานก็ไม่มีภพก็ไม่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมภพไม่เป็นไปเนี่ยนะปฏิสนธิในอนาคตจกมีไหมไม่มีเพราะถ้าสรุปว่าเหตุเหล่านี้ดับหมดแล้วผลที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ไม่มีสรุปว่าในการทั้งสามดังกล่าวมานี้การทั้งสามก็คืออดีต เหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลก็อดีตปัจจุบันแล้วก็สาวต่อไปในอนาคตการทั้งสาขันธปั จ, จกะคืออัตภาพของเรานี้อันมีกรรมและกิเลสเป็นเหตุไม่ใช่มีผู้ยิ่งใหญ่เป็นต้นเป็นเหตุอันนี้เป็นการประกาศถึงการเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยว่าของเราฉันใดของสัตว์ทั้งปวงก็ฉันนั้นสรุปนะว่าวิบากกรรมมาชุบที่งอกเงยเจริญยืนเดินนั่งนอนกันอยู่ได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะ มีปัจจัยปัจจัยในอดีตก็คืออวิชาตันหาและกรรมปัจจัยในปัจจุบันก็คืออาหารนามโรูปและผัศเนี่ยทำให้สืบเนื่องกันเป็นไปมีผู้ใดไปสร้างไหม น, นะมีใครคอยบันดาลในอดีตตอนนั้นนะเขาสร้างเราอยู่เป็นต้นเนี่ยก็ไม่ใช่แต่เมื่อว่าโดยเวลาการพิจารณาก็ทราบ ด, ดังต่อไปนี้ว่าโนจะสะัสนจะเมยาความว่า เพราะเหตุที่ขันธ์าปัญจาการนี้ชื่อว่าไม่เที่ยงก็เพราะว่ามีแล้วก็กลับไม่มีนะอีกสิบปีนี้เออเอาใหมอีกร้อยปีนี้จะมีเราอยู่ไหมไม่มีเนาะยาวขนาดนั้นหรือเก้าสิบปีเก้าสิบปีจะเหลือไหมไม่เหลือแปดสิบปีไม่เหลือหกสิบห้าสิบสี่สิบสี่สิบปีนี่ยไม่แน่ใช่บางคนอาจจะอยู่อายุเยอะอยังไงนะสามสิบปี ไม่แน่แล้วใชคือสรุปว่าเมื่อมันมีอยู่แบบนี้สรุปว่าในที่สุดก็ต้องไม่มีอันนี้แหละเรียกว่าไม่เที่ยงคือในที่สุดก็นํามาเส้นความไม่มีแม้แต่เวลาฟังธรรมอยู่นี่เดียวก็ไม่มีอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเพนะ่ะเชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะอาจว่าถูกความเกิดและความดับบีบคั้นหนืองๆเลยนะก็บีบคั้นใช่ไหมกรรมมาสรุปก็บีบคั้นเวอะนะ สราปว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันบีบคั้นบีบคั้นมันไม่สามารถอยู่ในสภาพเหล่านี้ได้ตลอดไปหรอกเพราะว่ามันทนยากหรือมันยากที่จะทนได้มันไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้มีอะไรที่มันทนอยู่สภาพเดิมได้ตลอดไปไหมไม่มีนี่แหละเรียกว่ามันเป็นเป็นทุกข์เนี่ยนะเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่เป็นไปในอำนาจไม่มีอะไรเป็นไปในอำนาจเลยไม่มีผู้มีอำนาจที่แท้จริงเมื่อไม่มีผู้มีอำนาจที่แท้จริงแล้วอะไรจะเป็นไปตามอำนาจล่ะ ถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นสภาวะบางอย่างที่ชื่อว่าอัตตานี้ที่พ้นไปจากขันห้าก็ไม่มีสแสดงว่าไอ้อัตตาที่เรามายึดถือกันเข้าใจผิดๆเนี่ยก็อาศัยขันห้านี่แหละที่ยึดถือว่าไม่ยึดถือรูปกับเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นไอการยึดถือมันไม่ได้ยึดเกินไปจากขันห้าอะไรขณะเดียวกันถ้าหากว่าทราบความเป็นจริงของขันห้าจะยึดถือว่ามันเป็นอัตตาได้ไหม ก, ก็ไม่พึงมีไม่พึงเกิดเมื่อเป็นเช่นนั้นนะขันธปัญจกะหรือขันธ์ห้าบางอย่างที่ชื่อว่าเป็นของเราก็ไม่พึงมีแกเราไม่พึงเกิดแกเราหาอะไรรูปใช่ไหมเป็นของเราท่านว่ารูปเป็นของเราหรือหรือว่าเวทนาว่าเป็นของเราหรือสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นของเราอะ้วเป็นของใครล่ะก็ไม่ใช่ของใครอีกนั่นแหละแล้วมันเป็นอย่างไรอะ ท่าน5้าใช่ของเราใช่ไหมบอกไม่ใช่แล้วเป็นของใครใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรอะ่ะก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานีนนะ่อันนั้นคือความจริงของมันจริงอยู่เมื่ออัตตามีสิ่งที่เกิดในอัตตาก็เพิงมีถ้าหากว่าอัตตามีอยู่จริงนะสิ่งที่มันอยู่ข้างในอัตตาก็ต้องมีจริง เหมือนอย่างว่านามรูปนี้ที ion, ่เกิดในตนจากศูญในปัจจุบันและอดีตฉันใดสภาวะอะไรอะไรที่ชื่อว่าเป็นอัตราที่พ้นจากขันห้าก็ฉันนั้นจักไม่มีจักไม่เกิดแก่เราจักไม่มีจักไม่เกิดแก่เราในอนาคตต่อจากนั้นแลเบนจ์ขันนี้อะไรอะไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความกังวลจักไม่มีแก่เราธรรมชาติอะไรอะไรที่เกิดในตนจักไม่มีแกเราแม้ในอนาคต สรว่าขันห้าเหล่านี้ต่อไปจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกังวลของท่านแล้วขันห้ามันจะอยู่หรือมันจะไปมันจะแตกหรือมันจะตั้งท่านก็ไม่มีความกังวลคือว่าไม่มีความกังวลในขันห้าด้วยอำนาจราคะไม่มีความกังวลในขันห้าด้วยอำนาจโทสะและโมหะเป็นต้นเพราะตัดความกังวลในขันห้าได้โดยประการทั้งปวง ด้วยคำนี้พระองค์แสดงถึงความไม่มีสิ่งที่จะพึงถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราในการสามนะในอดีตก็ไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีอัตตาของเราอนาคตก็ไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีอัตตาของเราปัจจุบันก็ไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีอัตตาของเราสรุปว่าในอดีตอนาคตปัจจุบันก็มีแต่ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรานั่นไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็น อนาตตาฉันอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ดำรงอยู่ในสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนาตตาอันนี้แหละเรียกว่าประกาศสุญญตามีเงื่อนสี่เนันะสุญญตามีเงื่อนสีเป็นการที่พิจารณาถึงความว่างว่างเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ว่างเนี่ยกับว่างในที่นี้สุญญตาเนี่ยแปลว่าความว่างไอ้ความว่างเนี่ยหม้อว่างหม้อเปล่าไห่เปล่าถ้วยเปล่าชามเปล่าเป็นต้นอันนี้แปลว่าไมีถ้วยมีหม้อมีชามไหม มีถ้วยมีสรุปว่าอันนี้ก็เหมือนกันไอค้คาว่าว่างเงื่อนสีก็คืออดีตก็คือขันห้าปัจจุบันก็คือขันห้าอนาคตต่อไปก็คือขันห้าขันห้ามีอยู่จริงแต่มีใครอยู่ในขันห้าไหมอ่ะแล้วของใครไหมไม่มีสาธุขอให้เห็นอย่างนี้นะเมื่อไรจะเห็นอย่างนี้สักทีนะคือไอ้ไอ้เดี๋ยว่ราฟังโดยเหตุผลโดยคําสอนเราก็พอเข้าใจแต่ยังไม่ใช่สามัญยาสํานึกที่แท้จริงของ ของเราเพราะเราไม่เคยเจริญความรู้ตัวนี้อะไรกระว่าได้ยินให้มันเข้าใจก็ยังจะยากะนะจะกล่าวไปใหัยถึงคิดแบบนี้นะเพราะา no, คนเนี่ยไม่ค่อยกล้าหรอกไม่กล้าคิดว่ามันไม่ใช่นั่นนะนะไม่กล้าออคือกระว่าโดยมากคิดอะไรที่มันขัดกับความเป็นจริงเสมอเพราะฉะถ้าพูดความจริงไม่ค่อยกล้าคิดตามเป็นจริงยังอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ต้องไปอะไรลึกซึ้งมากมายหรอกทุกคนเน่มันเดินไปสู่ที่ตายใช่ไหม ก้าคิดไหมว่ากำเังเร า, ากําลังจะไปสู่ที่ตายนั่นนะโดยมากไม่กล้าถ้ายิ่งชวนคุยเด็กคิดยังไม่ค่อยกล้าคิดนะไม่จําต้องพูดถึงเลยใช่ไหมถ้าพูดปับ๊บไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแล้วหรือใช่ไหมเดี๋ยวเรานะเราก็เนี่ยขันท่าเราก็เป็นนําไปสู่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายขันเรานี้เป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวทุกขโทมานัตและอุปายาสนะอันนะโดยการฟังธรรมเราก็ได้ยินอนะแต่ว่าให้ไปเจริญไปคิดเรื่องนี้เอาเป็นการเป็นงานเป็น เป็นภาวนาเลยเนี่ยไม่ค่อยกล้าคิดกันสักเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เห็นอานิสงส์ของการพิจารณาถ้าผู้ใดเห็นกำไรที่เกิดจากการพิจารณาดังกล่าวเนี่ยนะทุกคนก็ต้องพิจารณาอย่าลืมว่าการพิจารณาอันนี้เนี่ยเป็นเหตุให้พระอริยะท่านได้ประสบถึงความสุขที่แท้จริงการเจริญปัญญาดังที่ที่พระองค์ตรัสเหล่านี้เนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่ทาให้พระมหากัจจยนะเป็นต้น เข้าถึงความสุขที่สูงสุดคือสุขที่เกิดจากการบรรลุมรรคผลและนิพพานบทว่าอนุปนปภวิหารียัตเอ่ อ, อบทว่าอนุปุภาวิหารีตัทธโสความว่าเมื่อพระโยคาวจรตามเห็นโดยความเป็นของว่างนะว่างจากตนว่างจากของของตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนเนี่ยนะไม่มี อัตตานะหรือไม่มีตัวตนในสังขารในการทั้งสามอดีตอนาคตปัจจุบันดังพันณนะนามาชนีเมื่อวิปาาัสนาญาณนะแสดงว่าการพิจารณาอย่างนี้เป็นวิปัสนาญาณนะทีนี้ถ้าพิจารณาอย่างนี้วิปัสนาญาณมีอุท ย, ยพ ย, ายาัญญาณพังขยานพยตุปทานญาณอาทีนวายานนิพิทายานสังขารุเปกขายานมุนจิตุกรรมมัตายานเป็นต้นเนี่ยก็เกิดขึ้นตามลําดับ เชื่อว่าผู้มีธรรมะเครื่องอยู่ตามลำดับแสดงว่าวิปัสนาญาณเจริญเติบโตโดยลำดับวิสุทธิเจดเป็นไปอย่างต่อนเนื่องโดยลำดับเชื่อว่าอนุปุพวิหะอนุปปภวิปัสนาวิหารธรรมเรียกว่าธรรมะเครื่องอยู่คือวิปัสนาที่เป็นการอยู่ตามลำดับขั้นสูงไปเรื่อยๆบทว่ากาเลเนวะะเรวิสติกังความว่า พระโยคาวจรนั้นน่ะคือผู้ยังวิปัสสนานั้นให้ถึงที่สุดดำรงอยู่อย่างนี้พึงข้ามตันหาได้นะอนุภาพของของวิปัสสนาที่เปรียบเหมือนสะพานวิปัสสนาเปรียบเหมือนอริยมรข้ามตันหาที่เหมือนกับน้ำออกไปได้กล่าวคือตันหาที่มันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเพราะตันหามันซ่านเนี่ยมันไม่ใช่มันแค่แผ่ไปเฉยๆนะแต่เป็นตันหาที่สืบต่อ กรรมวัดให้มีวิปากวัดเพราะตันหาเป็นกิเลสวัด ต, ตันหาคือกิเลสวัดเนี่ยเป็นตัวเชื่อมกรรมให้มีผลตันหาคือตัวเชื่อมกรรมให้มีผลทีนี้โดยเวลาที่ถึงความแก่กล้าถ้าถ้าปัญญาที่เจริญเติบโตถึงความแก่กล้าโดยเวลาที่เป็นวุฒานะคามิหนีวิปัสสนาคือสังขารุปเปฆ า, ายาน อ, อนุโลมายานตลอดจนถึงขึ้น โคตรภูญานก็สืบต่อด้วยมรดโดยเวลาที่อริยมรรคเกิดขึ้นถ้าอริยมรรคเกิดขึ้นตั้งอยู่ในที่ไหนอริยมรรคเนี่ยมีนิพ า, า, า, านเป็นอารมณ์นิพานเป็นอารมณปัจจัยที่ประดิษฐานขึ้นแห่งอริยมรรคทั้นถ้าตั้งอยู่ในอริยมรรคเมื่อใดอริยมรรคมีนิพานเป็นอารมณ์เมื่อใดก็ข้ามจากปัญหาทั้นพระองค์นิเปล่งคาถาอันนี้ประกาศถึง ความที่พระมหากาจยนะบันลุพระอาหารหันต์โดยการอ้างอารหัตตะผลชนีแลเมือ่อไรเราจะข้ามอย่างนี้ได้บ้างนอนะ